ชายขี้เหนียวในพุ่มไม้กาละครั้งหนึ่งมีชาวนาจนๆคนหนึ่งเขายังได้รับความเมตตาจากเจ้านายร้อยเลขของเขานั่นคือชายชนบทชายชนบทจะให้เขาทํางานทั้งวันทั้งคืนในทุ่งนาและไม่จ่ายเงินให้เขาเลยสักเพนนีเดียวฮ่ๆๆนายอยากได้เงินจากการทํางานงั้นเหรอนี่คือสิ่งที่ตลกที่สุดที่ฉันได้ยิน ไม่มีใครจ่ายเงินชาวนาเพื่องานง่ายๆ่าฉันให้ที่พักและอาหารนายยังไม่พออีกหรือไง น, นายรู้ไหมว่าค่าอาหารเท่าไรนี่ไม่เอานะนายจะกินอาหารสามมื้อจริงๆเหรอใช่แล้วผมทํางานหนักมากในทุ่งนานั่นอ๋อเหรอมันก็แค่ทํานามันจะยากแค่ไหนกันเอาล่ะตอนนี้ ฉันมีอย่างอื่นที่ต้องทําคุยกับฉันเดือนหน้าอีกทีแล้วการเกี่ยวกับมุกตลกขอข้าวแดงของรายฉันจะคิดอีกที <laughs> ชาวนารู้สึกผิดหวังทุกครั้งที่ออกมาจากบ้านของชายชนบทเขาคิดที่จะลาออกจากงานหลายครั้งแต่เขาก็กลัวที่จะหางานใหม่ไม่ได้หลายเดือนผ่านไปชาวนาก็ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆและแล้ววันหนึ่งพอกันที ฉันไม่มีความสุขที่นี่ฉันทำงานที่นี่ไม่ได้แล้วนายท่านผมทำงานที่นี่มาสามปีแล้วผมต้องได้รับค่าแรงผมจะไม่ไปไหนจนกว่าคุณจะจ่ายเงินค่าแรงให้ผมตามที่ผมทำงานมาทั้งหมดอืมใช่แล้วนายพูดถูกเอานี้เงินของนายหนึ่งสองสามนี่มันอะไรกันแค่สาม่นนี้เองเหรอแค่นั้นเหรอ นี่นายหมายความว่ายังไงนั่นมันสามเพนนีเลยนะครั้งสุดท้ายที่นายออกไปเจอโลกข้างนอกเมื่อไรเหรอนายจะไปรู้อะไรนี่คือความโชคดีอย่างนั้นเหรอถ้างั้นหากผมได้รับความโชคดีแล้วผมคงไม่ต้องทำงานที่นี่อีกต่อไปว่ายังไงนะผมจะไม่ทำงานให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของผม ผมรู้ว่าสักวันความซื่อสัตย์และการทำงานหนักของผมต้องมีคนเห็นคุณค่าของมันลากรชาวนาได้เดินออกจากทุ่งนาไปเขารู้ว่าสามเพนนีนั้นคงไม่เพียงพอแต่เขาก็มีความสุขที่จะมีชีวิตรอดด้วยเงินจำนวนเท่านี้ชาวนาได้ยินเสียงแปลกๆใกล้บริเวณ น, นั้นมันมาจากด้านหลังของทางต้นไม้เขาเข้าไปใกล้และพูดออกไปว่านายโอเคไหม นายมาที่นี่ทำไมฉันไม่มีอะไรให้นายขโมยแล้วขโมยเหรอทำไมฉันต้องขโมยด้วยละ่ะทำไมนายถึงร้องไห้นายเจ็บตรงไหนเหรอมีกลุ่มชายกลุ่มหนึ่งขโมยหม้อใส่ทองของฉันไปฉันเจอมันที่สุดทางของสายรุง้งสุดทางของสายรุง้งฉันคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่า ไม่ไม่ใช่เลยฉันมีทองของฉันแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วโอ้อย่าร้องเลยนะฉันไม่มีมากเท่าหม้อทองของนายแต่ฉันสามารถให้สิ่งนี้กับนายได้นี่มันมันไม่ได้มากมายแต่มันคือเท่าที่ฉันมีนะโอ้แล้วนายจะทำยังไงต่อล่ะไม่ต้องห่วงฉันรอฉันไม่เป็นไรดูเหมือนว่านายต้องการเงินมากกว่าฉันนะ ฉันรู้ว่านายคือใครฉันรู้ว่านายจะไม่ทําให้ฉันผิดหวังเอะนายคือใครฉันเป็นเทวดาคนแคะพวกเราทุกส่งมาที่โลกมนุษย์ทุกปีเพื่อที่จะหาคนที่มีค่าสําหรับเบ็ดมนุ์ของเราฉันประทับใจในความใจดีของนายมากเพื่อนบอกฉันมาว่านายอยากได้อะไรฉันจะให้พรได้สามข้อพรหนึ่งข้อเท่ากับหนึ่งเพนนีนี่มันแปลกมากเลยนะนายหลอกฉันหรือเปล่าเนี่ย บอกสิ่งที่นาอยากได้มาสิแล้วนายจะรู้เองเออชาวนาคิดอยู่สักพักแล้วเขาก็รู้ในสิ่งที่เขาต้องการรู้แล้วละ่ะข้อแรกฉันขอคันธนูที่ไม่ว่าฉันจะยิงอะไรก็จะร่วงลงมาข้อที่สองฉันขอไวโอลินที่เมื่อทุกคนได้ยินก็จะเต้นตามข้อที่สามขอให้ทุกคนทำตามในสิ่งที่ฉันขอ พรของนายจะเป็นความจริงใช้พร อ, อย่างฉลาดล่ะชาวนามีความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาเดินไปและคิดอย่างสนุกสนานว่าเขาจะทำอะไรกับมันแล้วเขาก็เดินมาตรงที่ชายคนหนึ่งกำลังปาหินใส่ต้นไม้อยู่สวัสดีครับคุณ ทำไมถึงได้ปลาหินใส่ต้นไม้ที่น่าสงสารนี้ล่ะฉันไม่ได้ปลาหินใส่ต้นไม้นี้คนโง่ฉันพยายามที่จะเอาดอกไม้ลงมานี่คือดอกไม้ที่สวยที่สุดมันจะบานแค่หนึ่งครั้งต่อปีและตรงนั้นบนกิ่งที่สูงที่สุดของต้นไม้มันคือดอกไม้ที่มีแบบเดียวบนโลกมันมีค่ามากนาะยเห็นไหมล่ะหลายคนพยายามที่จะนาดอกไม้นั้นลงมาแต่ก็ไม่มีใครทาได้โอ้ งั้นให้ฉันลองได้ไหมฮ่าฮ่ฮ่าฉันเห็นคันธนูและลูกศรนายคิดว่านายเป็นนักธนูคนเดียวที่ลองเรือไงไม่มีใครสามารถยิงได้สูงขนาดนั้นหรอกนาชาวนาจึงยกคันธนูขึ้นและเล็งไปที่โคนของดอกไม้ที่อยู่บนต้นไม้สูงเขายิงลูกศรโดยที่ไม่คิดลูกศรพุ่งสูงขึ้นและสูงขึ้นและด้วยความรวดเร็วพุ่งตรงไปที่ดอกไม้นั้น และดอกไม้ได้ร่วงลงมาอยู่บนมือของชาวนาะเป็นไปไม่ได้นายทำได้อย่างไรจริงๆแล้วคนแคระเออโอ้ฉันไม่สนรอกเอาดอกไม้นั่นมาแต่ฉันเป็นคนทำมันร่วงลงมาทําไมต้องให้นายด้วยละ่ะมันมันไม่ยุติธทําฉันเห็นก่อนแล้วฉันก็เป็นคนบอกเรื่องนี้กับนายนายก็พูดถูกนะงั้น ฉันจะให้ดอกไม้กับนายแต่นายต้องให้รางวัลกับฉันถ้าไม่งั้นฉันจะเป็นคนที่ทำทั้งหมดเองชาวนาเป็นคนซื่อตรงแต่กับชายที่ยืนอยู่ตรงหน้านั้นเขาเป็นคนขี้เหนียวจริงๆทุกคนในเมืองรู้ว่าชายหนุ่มขี้เหนียวคนนี้จะให้คนอื่นทำงานให้โดยที่เขาจะไม่จ่ายค่าตอบแทนเลยสักเพนนีเดียวและไม่มีใครเชื่อใจเขาแต่ชาวนาพูดใส่ซื่อ ก็ไม่ได้ระวังสิ่งมีชีวิตที่ขี้เหนียวที่สุดคนนี้นายพูดถูกเพื่อนฉันจะจ่ายนายด้วยทองห้าร้อยเหรียญสำหรับดอกไม้ที่สวยงามนายเห็นด้วยไหมโอ้แน่นอนเลยเฮ้เดี๋ยวก่อนสินายจะไปไหนนะ่ะนายติดทองฉันห้าร้อยเหรียญ น, นะแล้วนายจะทำยังไงนั่งเล่นไวโอลินเหรอลาก่อน พููดดถกกกันนจจะะทําาออไไรไ้่งเลล่นนไวโอเหมือนกับที่เทวดาได้สัญญาไว้คนขี้เหนียวเริ่มที่จะเต้นตามจังหวะของเสียงเพลงเขากระโดดและแกว่งไปตามลมส่วนชาวนานั้นก็เล่นไวโอลินของเขาหลังจากนั้นคนขี้เหนียวก็ลื่นตกลงไปในพุ่มไม้และเขาก็ยังคงเต้นต่อแม้ว่าหนามจะทําให้เสื้อของเขาขาดหมดก็ตาม โอ้ได้โปรดเมตตาฉันด้วยได้โปรดหยุดทีฉันจะจ่ายเงินให้นายนั่นอยู่ในเสื้อเชิ้ตมันมีถุงแดงอยู่สองถุงเอาไปสิฉันจะเอาแค่เท่าที่นายติดฉันนายควรให้รางวัลฉันตั้งแต่แรกไปก่อนนะลาก่อน ชายขี้เหนียวพยายามจะหยิบเสื้อผ้าของเขาแต่ว่าเขาจะหยิบได้ยังไงล่ะทันใดนั้นข่าวลือก็ดังไปทั่วหมู่บ้านชายขี้เหนียวไม่ใช่แค่ชายขี้เหนียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นชายขี้เหนียวในพุ่มไม้โอ้ท่านจะสแสดงให้เขาเห็นว่าเขาคิดว่าเขาเป็นใครกันแนะ่วันต่อมาชายขี้เหนียวโมโหมากและไปให้สารตัดสินอืมเอาละ ผู้ชายที่มีคันธ น, นูและไวโอลินขโมยเ อ, อ่อความหนาวเหรอครับท่านความหนาวใกลจะขโมยความหนาวได้เขาขโมยทองของผมทองทองห้าร้อยเหรียญโอ้ทองฉันว่าแล้วต้องมีอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับการร้องเรียเอาวว นายแค่ต้องเขียนคำร้องเหรียญลงไปมันยากตรงไหนล่ะอืมอมืถ้างั้นชายหนุ่มกับไวโอลินขโมยทองห0 0รยเหรียญ น, นำตัวชายที่มีไวโอลินและคันธนูมาด้วยความยากลำบากในที่สุดก็ได้เจอและนำตัวชายที่มีคันธนูกับไวโอลินมาอืม อ, มอม นายถูกกล่าวหาว่าขโมยทองห้าร้อยเหรียญจากชายคนนี้มีอะไรจะแก้ตัวไหมครับใต้เท้าผมไม่ได้ขโมยผู้ชายคนนี้ให้ผมมาจากรางวัลที่ผมนําดอกไม้จากบนยอดที่สูงที่สุดของต้นไม้ลงมาเขาโกหกผมไม่ได้ให้รางวัลอะไรเขาทั้งนั้นมันยากที่จะเชื่อหนุ่มน้อยเอฉันหมายถึง ห้าร้อยเหรียนกับการที่นำดอกไม้ให้เขาแต่ว่าผมพูดความจริงไม่เขาขโมยไปจากผมและผลักผมไปที่ผมไม้เขาโกหกไม่ผมไม่ได้โกหกเขาโกหกเอาละพอได้แล้วฟังนะเอ ชายที่มีไวโอลินคดีนี้คนผิดนะชายขี้เนียวนายเ อ, อฉันหมายถึงชายหนุ่มผู้นี้คนนี้เขาชนะคดีสารขอสั่งให้ชายที่มีไวโอลินและคันธนต้องติดคุกห้าปีและต้องคืนทองห0 0รอยเหรียญต่อชายขี้เหนียวเ อ, อต่ฉันหมายถึงสุภาพบุรุษท่านนี้ <c oughs> ผมเข้าใจครับใต้เท้าผมขออะไรเป็นสิ่งสุดท้ายได้ไหมครับขอผมเล่นไวโอลินเป็นครั้งสุดท้ายจะได้ไหมไม่ครับใต้เท้าอย่าให้เขาเล่นได้โปรดอย่าโอ้คำขอของเขาไม่ได้เป็นอันตรายใดๆ ไ, ไม่ไม่จริงแล้วทำไมเขาถึงขอที่จะเล่นไวโอลินในศารและมันไม่ใช่สิ่งที่เขาขอครั้งสุดท้าย เขาจะเข้าคุกแค่ห้าปีไม่ใช่ตลอดไปอาบฉันฉันเข้าใจสิ่งที่คุณพูดก็มีเหตุผลแต่ว่าอย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถปฏิเสธเขาได้ฉันอนุญาตให้เขาทำในสิ่งที่เขาขอชาวนายิม้มเขารู้สาเหตุว่าทำไมผู้พิภากษาถึงไม่ปฏิเสธฉันขอให้ทุกคนทำตามในสิ่งที่ฉันขอ โอ้ให้ตายสิทหารอยู่ไหนเนี่ยช่วยจับฉันไว้ทีแต่นั่นก็สายไปแล้วทันทีที่ชาวนานเล่นไวโอลินทุกคนก็เริ่มเต้นรำกันไม่มีใครสามารถต้านทานได้แม้แต่ชายขี้เหนียวหรือวาทหารหรือผู้พิพากษาเองก็ตามโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออทุกคนกำลังเต้นครับใต้เท้าโอ้หปากเลยฮาว ชาวนาเดินตรงไปที่ชายขี้เหนียวและหยุดเล่นเพลงบอกความจริงกับทุกคนซะถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะทำให้นายเต้นไปตลอดชีวิตทหารจับตัวเขาก่อนที่เขาจะเล่นไวโอลินอีกแต่ชาวนานั้นไวกว่าทหารซะอีกออยยดได้โปรดยยดผมยอมรับผมยอมรับว่าเขาไม่ได้ขโมย ผมเป็นคนให้ทอง500ร้อยเหรียญกับเขาเองเพราะเขานำดอกไม้บนดอดที่สูงที่สุดมาให้กับผมอผมให้เขาเองเอเอนั่นคือเรื่องจริงหเหรอใช่ครับมันคือเรื่องจริงถ้าอย่างนั้นทุกอย่าง ก, ก็กระจาชายผู้มีไวโอเลนไม่ผิดชายขี้เหนียวทำไมสารเสียเวลาเดยการโกหก เขาควรที่จะจ่ายทองห้ารอยเหรียญให้กับชายที่มีไวโอลินและคันธนูและที่สําคัญเขาควรให้เงินทั้งหมดแก่ชาวบ้าเรื่องนี้สอนให้นายเห็นค่าของความสื่อสัตว์ที่มีดีกว่าความรวยปิดคดีชาวนาถูกปล่อยตัวเขาได้รับความมั่งคั่งที่เขาควรจะได้รับแต่ว่าเขายัางคงทางานหนักและเป็นคนมุ่งมั่น เขาซื้อที่ดินและทํานาต่อไปไม่แปลกใจเลยที่ชายขี้เหนียวติดเงินคนอื่นมากมายหลังจากที่ได้ให้ทรัพย์สินแก่ชาวบ้านชายขี้เหนียวในพุ่มไม้ก็ไม่เหลือเงินเลยสักนิดเดียวเขาต้องทำงานเพื่อแลกกับเงินไปตลอดชีวิตจบบริบูรณ์